อานั่งคัดสมาธิน่ะละตามที่เคยทำกาหนดสติอาณาปานาสติเหมือนเดิมนั่นแหละสูตรนี่อาณาปานาสติสูตรพระพุทธเจ้าตัดแสดงไว้ดีแล้วบุคคลใดจเจริญให้มาก ทำให้มากย่อมได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าสินอาสาวกิเลสในทิฏฐ ธ, ธรรมนี้ในปัจจุบันทันตานี้ทิฏฐธรรมให้พากันทมเอาอานาปานสตินี่เป็นการภาวนาแบบพระพุทธเจ้า พระพระองค์ตัดสรู้ด้วยอาณาปานสตินี้ท่านจึงเอาอาณาปานสตินีนะ่มาแสดงเอาไว้ให้ทำเอาไม่มีอะไรอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้าท่านปานะก็แปลว่าหายใจออก สติก็แปลว่าระลึกรู้ระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าภาวนาเท่านี้พวกง่ายๆก็คือเอาลมหายใจเป็นอารมณ์รู้จักอารมณ์ไหมอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติไม่ได้ทําอะไรมากทําอยู่งั้น ผมกิตมาลู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวไม่ให้ไปเสพที่อื่นให้มาเสพอยู่กับลมหายใจผมไปผมมามันก็สงบกิตก็รวมเท่านั้นกิตก็จะมารวมอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรวมเข้ากิดก็จะตั้งมัน่นเป็นสมาธิขึ้นมา พอจิตรวมเข้าไปนี่ก็ลมก็เริ่มหายกายเริ่มไม่มีมันก็เป็นช่วงใหม่ๆนี่แหละบางคนอาจจะเกิดเห็นแสงเห็นสีขึ้นมานะตอนจิตจะรวมใหม่ๆนี่ท่านเรียกว่าแสงโอภาสหรือเรียกว่าอาภาโสภาษาบาลีอาภาโส แปลว่าเห็นแสงโอภาษต์ว่ามีแสงนี่เกิดขึ้นก็จะมีนิมิตต่างๆตามมาเมื่อนิมิตต่างๆตามมามันก็เกิดปีติขึ้นแล้วทีเนี้ยระวังตอนนี้ดี๊ดิ๊พอเราคุมจิตใจอยู่เนี้ยฮะมันจะเกิดแสงโอภาสขึ้นมาอาภาโซแสงโอภาสขึ้นมา เมื่อเกิดแสงขึ้นมาแล้วก็จะเกิดต่อไปมันก็เปลี่ยนเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาคะแสงโอภาสบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นหรอกพอ ม, มีนิมิตต่างๆขึ้นมาแล้วก็มันเปลี่ยนได้นะแสงเปลี่ยนเป็นแสงนั้นแสงนี้สีเหลืองสีแดงสีชมพู เอาไวมาก็เกิดเป็นนิมิตเกิดเป็นเสียงขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะนี่กิดมันหาวิธีปลอมแปลงหลอกเราเฉยๆเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปีติขึ้นมานะทีนี้เกิดปีติความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเมื่อเกิดปีติขึ้นก็จะเกิดปัจจิติความสงบขึ้น เมื่อเปิดปัสสติแล้วเกิด อ, อธิมโมกม์เกิดขึ้นความเชื่อว่าเราเห็นเราได้สมาธิอธิโมกเกิดความเชื่อโดยเด็ดขาดขึ้นมาเมื่อเกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วก็จะมีปักข้าหะ ปากฆาห่ า, หาเมื่อปักฆ้าห่าเกิดแล้วก็เกิดสุขขังนี่มีความสุขร้ายสุขยิ่งเกินพอดอีเมื่อเกิดความสุขขึ้นก็จะเกิดญาณังญาณังเกิดญาณรู้เห็นอ น, นั้นเห็นนี้ขึ้นมาโมด เป็นรู้ไปในทางที่ผิดไม่รู้ในทางที่ถูกเป็นจินตนาการจินตมยปัญญาเฉยๆเกิดยานรู้อันนั้นเห็นอันนี้ขึ้นมาให้ระวังสุ ข, ขังยานังอุปัฏฐานังสติยิ่งเกินพอดีอมีสติแก่กล้ายิ่งเกินพอดี เอาไปก็กเกิดอุเบกขาวางเฉยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไม่ชี้แหละที่นี่อุเบกขาสุดท้ายก็จะเกิดนิกันติขึ้นมาอันที่สิบอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสโนไม่ใช่วิปัสนานะมีอยู่สิบอย่างอาภาโสปีติ ปัจสัตธิอธิโมกปัคฆะหาปัจขะหาสุขังยานังอุปทานังอุเบกขานิกันติสิบอย่างนี่จะเกิดขึ้นท่านเรียกว่าวิปัสโนกิเลสเคยได้ยินไหมล่ะเป็นภัยต่อวิปัสนา เป็นอันตรายต่อวิปัสนานะให้พากันเข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสนนกิเลสสิบอย่างตอนจิตของเราเริ่มจะสงบเนี่มันจะมาส้ำแดงแปลงเพศหลอกให้เราเห็นแสงนั่นแสงนี่ขึ้นมาเนี่เป็นรูปแก้วเป็นรูปแก้วเป็นแสงอะไรก็ตาม ท่านเรียกว่าอาพาโสต่อจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นสีเป็นไรแล้วก็มันจะเป็นเห็นนิมิตต่างๆภาพต่างๆขึ้นมานะเมื่อเราเห็นอย่างนี้จิตของเราก็เกิดปีติความอิ่มเ อ, อิบขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวละแลม้ได้สมาธิไดเ้เห็นอันนั้นเห็นอันนั้นนี้แล้วนะั่นละ่ะ เอาไปเอามาจิตก็เริ่มสงบไม่สงบมากนะเรียกว่าปัดสธิเขาสงบนิ่งนิดนิดน้อยสงบง่ายอันนี้สงบเตือนๆตืนนี่ไม่ได้สงบลงในถึงฐานใหญ่เรียกว่าปัดสธิเมื่อเห็นอย่างนี้ก็อธิโมกเกิดขึ้นน้อมใจไปเชื่อ เชื่อด้วยเด็ดขาดว่าเราได้ในสมาธิเห็นสมาธิว่าเราได้จิตสงบใครมาบอกมาว่ายัางไงก็ไม่เชื่ อ, อเรียกว่าอัติมโมอันที่ห้าก็คือปักคาหะความเพียรเริ่มแล้วเท่นีพอได้อย่างนี้ละความเพียรยิ่งเกินพอดีไม่อยากลุกออกไปไหนแล้วนั่งแช่อยู่นั่นแล ไม่มีการปวดแข้งปวดขาอะไรดูนิมิตไปเรื่อยๆ ล, ลืมข่าวไปเลยนี่แหละปักคาหาสุขรังมีความสุขเหลือหล่นเหนือคนในโลกนั่นนะสุขเกินพอดีแม่หมูเพื่อนลุกออกนี้ก็ไม่อยากลุกแล้ว อ่าสุขอยู่นั่นแหละสุขขังยานังมีความรู้เป็นอัจฉริยะบุคคลเลยนะตอนนั้นมันได้แค่อุปยะละสมาธิจิตมันจะอ่าจินตนาการไปไม่ใช่จินตมัญญะวัญญานั่นท่านว่า อินธนาการไปนอกโลกนอกกายนอกอะไรไปรู้หมดเห็นหมดอ่าเนี่ยยานังรูยิ่งเกินพอดีออุปัฏฐานังสติแ ก, ก่ก้าเกินพอดีอีกไม่ได้เกินพอดีเกินพอดีเคยเคยเป็นไหมเ้รอโอ้เกินพอดีนะอุเบกขา นิ่งเฉยนั่งแช่อยู่นั่นนะ่ะใครมาเรียกก็ไม่นั่นนาะออกจากสมมาตรที่ไม่ออกมูอเพื่อนลูกนี้น่ะนะท่านนั่งอยู่หลายๆเฉ ย, ยไม่ยินดีไม่ยินไล่อะไรเลยอุเบกขานั่งแช่นิ่งเกินพอดีนะ่ะนี่กันติก็มีความยินดีพอใจในอุปกิเลสเก้าอย่างนั่น นึกว่าเจ้าของบรรลุแล้วเป็นพระอาหารแล้วนั่นแหละตัดสิรูแล้วนั่นแหละนี่มีหลายน ะ, ะมีหลายเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นวิปัสสนนะวิปัสสนูเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อวิปัสสนาทําให้เราขาดปัจจุบันน่รทำ ปัญญาที่เห็นญาณังความรู้ที่เห็นนั่นเป็นกินตะมยะปัญญาเฉยๆไม่ใช่ภาวนามยะปัญญาทำให้เราขาดปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมเคยได้ยินไหมละ่ะปัจจุบันนธรรมขาดปัจจุบันนธรรมไปจึงไม่มีที่สิ้นสุดนะ เป็นอันตรายมากเอาแววมาก็หลงทางเสียเวลาเนี่ยหลงภาวนาเป็นวิปลาคนเป็นวิบลิตรวาททั้งหลายก็เพราะว่าอันนี้ล่ละเกิดจากอันนี้ะทีแรกเกิดจากแสงโอภาสเนี่ยละอาพาโซเนี่ยไปลงสุดที่นิกันตินั่นนะยินดีพอใจใน สิ่งที่เราเห็นเรารู้มาในใครบอกว่าแก้จิตให้ก็ไม่ยอมนะไม่ยอมลงง่ายๆเลยทีนี้ติดอยู่ในนั่นแหละอเอาไปมาก็พูดคนเดียวก็ได้นะมันเป็นภาพเป็นแสงเป็นอะไรขึ้นมาพูดกับภาพที่เราเห็นอยู่ในภายในเห็นภายในพวกเนี้ยรู้ภายในได้เห็นภายในได้ นึกอะไรปับ๊บมันก็เป็นปับ๊บทันทีเลยเป็นอัจฉริยะใครว่าอย่างไงก็ไม่เชื่อง่างให้พากันระวังนะถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นเห็นแสงโอพาดขึ้นหรืออะไรเกิดขึ้นมาเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาก็ให้เรารู้อยู่เฉยๆอย่าไปยินดียินไล่นะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เอามนคาถาของพระพุทธเจ้าไล่ออกเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าใครทําอย่างนี้ได้เราก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา เราก็ได้เห็นดวงตาเห็นธรรมดาเห็นธรรมชาติไม่ไปยึดติดเอาปล่อยไปไม่มีสลระเ่นสารเกิดแล้วตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นอ่อันนี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้ที่ไปเกิดปัญญาเกิดยานรู้ยิ่งเกินพอดีขึ้นมามันเป็น กินตะมยะปัญญาเป็นปัญญากินแต่นาการนึกคิดไปเฉยเฉยนึกคิดไปแล้วเกิดเป็นภาพเป็นรูปอะไรขึ้นมาใช้หนังน้อยนั่งเล่นอยู่ดูอยู่คนเดียวออกจากสมาธิเอาไปเอามาก็เห็นนะเอาไปมาไม่เข้าสมาธิก็เห็นพูดกับเขายิ้มเฉยอยู่น่ะน่ะยิ้มอยู่พูดคนเดียว เขาว่าเพียบ้ามันเป็นบ้าแล้วพูดคนเดียวก็นั่นเขาเขาพูดกับภายในเขาเห็นอยู่ภายในอันนี้ให้ระวังดนะ้เป็นภัยต่อวิปัสสนาต่อภาวนาการปฏิบัติมากเขาเรียกว่าวิปัสณูจิเลสนะถ้าเห็นแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอามนคาถาของพระพุทธเจ้าขับไล่ออก ไม่ยินดีไม่ยินลายมันก็หมดเท่านั้นใครไปหลงเชื่อหลงนั่นก็ลติดนิมิตนั่งอยู่เฉยๆก็เห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเห็นภายในว่าไง น, นนะนั่นละผิดนะทำให้ขาดปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมหมายถึงอะไรฮะ ให้เห็นปัจจุบันนธรรมอยู่ก็พอแล้วเนั่นปัจจุบันนธรรมคืออะไรธร ร, ธรรมธรรมะธรรมชาติธรรมทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจรูปธรรมนามธรรมเนี่มันอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยให้เห็นปัจจุบันนธรรมอยู่เท่านั้นอ ถ้าไปเห็นอันนั้นทำให้เราขาดปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมธรรมทั้งหลายย่อลงมาอยู่กายกับใจรูปกับนามเกิดดับเนี่ยที่พูดให้ฟังอันเดียวนี่แหละอะไรเกิดรั้นห้าเกิดดับเนี่ยเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสันตติอยู่อย่างนี้ให้เห็นอันนี้จึงเรียกว่าวิปัสนาอันหมูนั้นเป็นวิปัสโนหนูกับนามันก็คู่กันนี่แหละจนคนหลงนั่นแหละโนูกับหน้าเนี่ยวิปัสนาก็ให้เห็นปัจจุบันธรรมคือความเกิดดับของขันห้าขันห้ามันเกิดยังไง ตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคเขาเรียกว่ารูปรูปภายในมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะธรรมลมวิญญาณมารู้ขึ้นเนี่ยขันห้าเกิดวิญญาณมารู้ตาเห็นรูปก็ใจมารู้ให้ หูเลยยินเสียงก่อใจมาลูกให้ก็เรียกว่าขันห้าเกิดแล้วก็ดับมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่ปัจจุบันธรรมเราจึงจะเห็นขันห้าเกิดดับเห็นอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้นี่แล้เห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรักญาณในขันห้า รู้จักขั้นห้าไหมล่ะพูดบ่อยๆตาก็คือรูปภายในมันกระทบกับรูปภายนอกรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันวิญญาณตาลูกขึ้นก็เรียกว่าขั้นห้าเกิดดับวันนี้ตอนบ่ายก็พูดอยู่โลกเกิดกับดับพร้อมกันขั้นห้าเกิดกับดับพร้อมกัน ก็อันเดียวกันบางทีก็เรียกว่าขันห้าบางทีก็เรียกว่าโลกธาตุดินน้ำลมไฟอากาศรวมกันเข้ามาประชุมกันเข้าเรียกว่ากายหรือเรียกว่ารูปวิญญาณคือธาตุรนะู้นั้นเรียกว่านามหรือเรียกว่า ดินธาตุดินน้ำลมไฟอากาศสงเคราะห์กันรวมกันเข้าเรียกว่าโอกาสโลกเนี่ยวิญญาณคือสัตว์โลกโลกภายในก็คือสัตโลกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใหญจนี่วนะิญญาณมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณดินน้ำลมไฟอากาศสงเคราะห์เรียกว่า โอกาสโลกด้กอยากโลกท่านนี่โอกาสโลกวิญญาณเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกท่านจึงเรียกก้อนสกนลกายเรานี่ยว่าโลกเนี่ยโลกโลกใบน้น้อยนั่งอยู่นี่ขั้นอยู่มาก็มาเรียกใหม่ว่า ดินน้ำลมไฟอากาศเรียกว่ารูปรูปกายของเราวิญญาณเรียกว่าน้มมาเรียกใส่กันใหม่ว่ารูปกับน้มแล้วมาเรียกว่าน้ำมันมีสี่อย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมีหนึ่งอย่างก็มันรูปหนึ่งน้สี่ก็เลยมาเรียกใส่กันว่าขันห้ามาสมมติว่าขันห้า ตั้งชื่อสมมุติว่าขันห้าโลกกับขันห้านี่ยมันอันเดียวกันเข้าใจไหมแต่เรียกคนละชื่อเฉยๆจำนวนของพระสูตรสมมุติไปหลายๆอย่างเฉยๆแต่เขาก็คนคนเดียวนะกายกับใจคือเก่านๆนี่ะนะรู้แจ้งซึ่งโลกนี่รู้แจ้งซึ่งขันห้านี่แหละโลกอะ โลกใบน้อยๆนี่แหละมันจะเกิดกับดับพร้อมกันอยู่โลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะพิกษุขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะพิกษนะุเมื่อคนไปภาวนาผิดทางหลงทางเป็นวิปัสนูแล้วก็มีแต่จินตนาการความคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่จบเป็นนะ ยังทำให้เราไม่เห็นปัจจุบันนธรรมจำได้ไหมละ่ะปัจจุบันนธรรมคือขันห้าเกิดดับทำทั้งหลายย่อลองมาอยู่กล้กับใจใจมันเกิดมันดับอยู่กล้กับใจเนี่ยเองอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับตาไปเห็นรูปก็โลกเกิดแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงโลกเกิดดับ วันหนึ่งวันหนึ่งโลกมันหมุนอยู่อย่างนี้เคยได้ยินไหมล่ะว่าโลกหมุนอยู่เนี่ยเกิดแล้วก็ดับหมุนไปเกิดแล้วก็ดับหมุนไปเป็นวัฏจะทรสงสารขันห้าหมุนหรือท่านเรียกว่าโลกไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่ามันเกิดมันดับมันหมุนอยู่อย่างนี้เป็นอนิจจัง ทุกขังอนัตตาอยอไม่มีสละเก่นสารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าปัจจุบันนธรรมจนเราเบื่อหน่ายในรูปทำไมเบื่อหน่ายเมื่อสวดไปเมื่อกี้นี่รูรูปังอ น, นิจจังรูปไม่เม่เทียงเวทนาอ น, นิจจา สัญญานิจจาไม่เที่ยงดูปังอนตัตตรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนตาัตตเวทนาก็เป็นอนตัตตไม่มีเจ้าของเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนเป็นทุกขั้งแปรปวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนตัตตเราสวดไปเมื่อกี้นี่ยึงมารู้ว่ารูปนี่กายของเรานี่ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้ น, น, นเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของดินก็ไม่มีเจ้าของน้ําไม่มีเจ้าของลมไฟไม่มีเจ้าของเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนี้สุดท้ายก็เลยไปสรุปปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วออ เอวังสุตตะวาอาลิยสาวโกลูเปสุปินิพินนติเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วว่ากายเราก็เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่นั้นปัญจวัคคีจึงเบื่อหน่ายในรูปลูเปสุปินิพินนตินะ นี่แหละปัจจุบันธรรมมันเกิดมันดับอยู่รูปกับนามอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับความเกิดความดับนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้อยู่ไกลหรอกจิตของปันจวชีนจึงเบื่อหน่ายทายความยินดีในขันห้าดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าจิตจึงหลุดพ้นจากขันห้า เข้าสู่พระนิพพานเป็นพระังหัน์หมดสุดแล้วสวดไปเมื่อกี้นะี่เอาวันนี้ก็เจตนาอยากให้รู้จักวิปัสสนาเกเลณสิบอย่างเมื่อเราไปติดอยู่ในนั้นไปติดสุขในอันไปรู้ในอนั้นไปอันนั้นมันรู้ยิ่งเกินพอดีสงบยิ่งเกินพอดี สติแก่กะเกินพอดีพวกนี้อุเบกขาวางนิ่งเฉยเกินพอดีเขาเรียกว่าเป็นภัยต่อวิปัสสนาทําให้เราไม่เห็นปัจจุบั น, นธรรมปัจจุบั น, นธรรมคือขันห้าเกิดดับรูปกบนามอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกัน ตาก็คือรูปหูก็คือรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปมันไปกระทบกับโลกภายนอกรูปภายนอกคือรูปเสียงจิน่นรดวิญญาณหูวิญญาณตาวิญญาณจมูกรู้ขึ้นก็เรียกว่าโลกเกิดโลกดับหรือเรียกว่าขันห้าเกิดขันห้าดับเกิดกับดับพร้อมกันเนี่ยปัจจุบัน ตาเห็นก็เกิดขันห้าเกิดหอ้ได้ยินเสียงขันห้าเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งโลกเกิดกี่ข้างขันห้าเกิดกี่ข้างนับไม่หวาดไม่ไหวอนเออนกอนันพบเกิดดับเกิดดับอย่างนี้เราจงมาสรุปใส่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับที่เราสวดไปในอนัตตาลขณาสูตรเมื่อกี้นี้ สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพุทธองค์ถามปัญจวัชีนนะไม่เที่ยงพราะเจ้าข้านั้นอนิี้จังพันเตนั้นไม่เที่ยงพราะเจ้าข้าใช่ไหมล่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ปัญจวัชีต่อ ว, ว่ายังไงทุกขังพันเตนั่นมันมีอยู่นี่ด้ยขันห้าเกิดดับขันห้าก็เป็นอนิจจังมันเกิดมันดับนี่แล้ไม่ไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออ น, นัตตาเน่นนะเป็นอนัตตาพระเจ้าข้านะมันก็มีอยู่ท่านนี้ ขั้นห้าท่านจึงให้แยกขั้นห้าออกดูแยกกายออกมาดูกายออกมาดูแยกกายออกมาดูกายนี่ประกอบด้วยธาตุสีกาวคือดินน้ำไฟลมลมไฟก็ว่าอันเดียวกันนะนะเอาสติปัญญาไปถามดูกาย เราหลงกายนี่แหละหลงโลกหลงดงหลงโลกก็คือกายนี่แหละหลงขั้นห้5ก็คือกายนี่แหละกับใจนี่แหละขั้นหาโลกก็คือโอกาสโลกกับสัตว์โลกนี่ไม่มีอะไรหลงโลกก็มาหลงอยู่ของนี่แหละหลงว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาน่นะมาแยกดินออกดินยี่สิบอย่าง ธาตุดินยี่สิบอย่างอยู่ในกายเราเนี่ยที่เราสวดไปเมื่อกี้เนี่ยเจสาโลมานาคาทันตาตะโจรยี่สิบอย่างที่ค้นแข็งเป็นธาตุดินมันมีเจ้าของไหมเนี่ยมาแยกออกดูเอาจิตถามจิตเอาแยกจิตเอาจิตแยกธาตุออกให้จิต ด, ดูถามคําถามสี่คำถามที่เคยแสดงให้ฟังดินเป็นเราไหม ดินเป็นคนไหมธาตุดินเป็นคนไหมธาตุน้ำเป็นคนไหมธาตุลมธาตุไฟเป็นคนไหมไม่ไม่เป็นคนมันเป็นธาตุเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมารวมกันแล้วเขาจึงมาตั้งสื่อสมมุติว่าคนคนจริงๆมีไหมหล่ะฮะไม่มีมีแต่เขาโซนว่าคนเฉยๆล้วก็เรามาถือตามโลกเขาสมมุติเนี่ย ว่าคนก็ว่าคนกับเขาไปว่าเราว่าเขาไปเห็นขันห้าเกระดับเป็นอนิจจังทุกขังอนันตา j a จึงจะเบื่อหน่ายคลายความยินดีในขันห้าดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าจิตก็หลุดพ้นจากขันห้าได้ถ้าเป็นวิปัสสนจกิเลสก็เป็นบ้าแล้วต่อไปหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปรลาต ใครเคยเห็นน่ะแสงโอภาสอ่ะอยู่นี่มีคนเห็นไหมแสงโอภาสแสงอาภาโซเอาออกจากแสงแล้วก็จะเป็นรูปต่างๆมิมิตต่างๆขึ้นมาจากรูปก็จะไปได้ยินเสียงนะทีนี้เสียงจิตเจ้าของนั่นแ่ะพูดขึ้นมาลึกๆเจ้าของก็พูดกับกจิตเจ้าของ เขาก็เลยว่าพี่บ้าเวลานั่นมันเข้าสมาธิง่ายๆนะปัสสัทธิความสงบเนี่ยเกิดปั๊บขึ้นมานั่งอยู่ยังไงก็สงบสมาธิไหลเข้าไปทางไหนก็ได้สงบยิ่งเกินพอดีเขาเอาเมื่อยอสวงกับว่าอยากลุกนะ มันสงบมากเกินพอดีเอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนะนำให้รู้จักเวลานั่งสมาธิเข้าไปแล้วจิตกำลังสงบนี้ก็จะปรากฏเห็นแสงขึ้นมานะบางคนบางท่านเราอย่าไปอุปทานเอาอย่าไปยึดไปถือเอาถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรไปยึดไปถือเอาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆไม่ยินดียิน้ายพวกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นดับไปมันก็หายไปถ้าเราไปยึดไปถือว่าเราได้เราเห็นเราเป็นเรามีไปอุปทานเอาเมือนกับแสดงไปเรื่อยๆจนเราหลงทาง คิดว่ามันเป็นวิปัสนาคิดว่าเราบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนนะเนาะอ่านี่หละหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสเอาวนันนี้พาทาย่อยๆแค่นี้ละ่ะเอาละพอพอเอาต่อไปให้ถามถามความสงสัยดีไหมฮะ ถ้าใครสงสัยหลับตาฟังมันไม่เข้าใจต้องลืมตาฟังใครสงสัยไหมละ่ะพูดมาวิปัสสนูนี่เป็นคู่กับวิปัสนาน ใ, นะใครเห็นบ้างอะเห็นแสงเห็นแสงที่ว่าเนี่ยใครเห็นไหมฮะ อ, อ่า เป็นวงรวรววถ้านนมาเ้าบที่จะเหมือนกับเสื้อผ้าจะเตัวจาโลแต่ไม่ไม่บว่าใช่หรือเปล่านะคก็คือรู้สึกว่ามันอกนี่จะรู้สึกจรู้สึกพวกหยุดหยุดทําเหมือนเราเราดลงไปค่ะโอยนั่นมันถูกอยู่ โโออ ย, ยังไม่หลอกหรอกถ้าจิตตกบูบลงไปน ะ, ะบูบลงไปเหมือนจิตตกลงหน้าผาหรือตกลงจากต้นไม้สูงๆเว่อว่ลงไปมันจะถึงจุดฐานใหญ่มันจะหยุดกึกลงพอบูบลงไปค้นมากตกใจตอนนี้แหล ะ, หะก็เลยหยุดกลัวจะคของจะเป็นอันตรายก็เลยถอนออกอ่าเขาเรียกว่าจิต จะตกลงถึงฐานใหญ่วืบลงบางทีเหมือนกับตกลงจากหน้าผาตกลงจากต้นไม้คนก็เอะใจแล้วก็สงสัยว่าอะไรวิจิตจิตชาความโลเลสงสัยเกิดขึ้นกลัวจะขวงจะเป็นอันตรายก็เลยหยุดแมก็นั่งเป็นมอเม้วน็นรวมอ่าเอา่าเอาแล้วก็ดูอยู่เฉย สเสื้อผ้ า, าจะหลุดออกไป อ, อ, อย่างยังไงยังไงก็โทรโทานไปพอมัสููจิมันตกอค่ะนั่นแหล ะ, ละจิตว่างใหญ่จิตกำจะว่างนอนโอ้ยจิตจะว่างแล้ว <c oughs> จิตลงถึงฐานใหญ่พอลงตกว่างบึ้บลงไป มันจะไปถึงจุดหนึ่งที่ฐานเขาเรียกว่าฐานใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่ลงถึงอั ป, ปนาฌานอั ป, ปนาสมาธิเราก็กลัวอ่าต่อไปไม่ต้องกลัวอ่านั่นแหละมันตกลงไปกลัวจะคล้องจะตายนนหน่อเนาะไม่กลับทีนี้ทําต่อน ะ, อะไม่เป็นอะไรแล้วรู้รู้อยู่เฉยเฉยรู้อยู่เฉย อย่าไปยินดียินไลยตอนนั้นนะมันจะลงถึงฐานใหญ่เรียกอั ป, ปนาหรือเรียกว่าพระวังใหญ่สมัยหนึ่งหลวงตา ย, ยังไม่บวชมันก็เป็นเหมือนกับเขารวบขาเราใส่กันหมุนหมุนริ้วๆๆๆเหมือนกับพัดลมเนี่ยหมุนกับเหมือนกับไกั้งหันเนี่ยแล้วก็ ไม่ดีใจเสียใจเราดูอยู่เฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงมันจะหยุดได้ไหมมันจะหยุดเองไหมแล้วก็เลยดูอยู่เฉยๆหมุนไปที่สุดมันหยุดกึกลงพอหยุดกึกลงนั้นก็ว่างผ่องไสขึ้นมามันลงถึงฐานใหญ่มันว่างสว่างสวัยผ่องไสครอบโลกเลยเป็นอัศจริงเห็นทีแรกอันนั้น ที่คนเป็นอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังหลายอ่าเห็นแล้วก็ตกเวิบเวิร์บเวบ<ๆ>ลงมาบางคนมันก็กลัวเจ้าของจอะาตายก็เลยหยุดออกจากสมาธิตกใจกลัวอ่าก็เลยหยุดถ้ามันลงไปแล้วมันจะมีฐานนั่นหนึ่งรองรับอยู่ฐานใหญ่จิตลงถึงฐานใหญ่ เป็นอั ป, ปนาฌานอ ป, ปนาสมาธิได้เอ่เข้าใจเนาะคนฟังทั้งอื่นนะใครจะถามอีกไม่มีใครกล้าถามว่ายังไงล่ะแม่ทั้งเนี่ยสงบไหมอสงบก็เอาหลังจากออกจากความสงบแล้วก็เดินปัญญาน่นะวิปัสนา วิปัสสนูก็เข้าใจแล้วนะสิบอย่างที่ว่าแสงโอภาปีตีเกิดขึ้นพอเห็นแสงแล้วเกิดปีตีขึ้นเลย เ, เกิดปัสสธิกิจิตสงบบ้างเป็นอุปจระปัจสธิอธิโมกปะคาหะสุ ข, ขังยานังอุปทานังอุเบกานิกันติสิบอย่าง เกิดขึ้นเข้าใจไหมทางนั้นนะฮะถ้าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นแสงโอภาสคนเป็นบ้าคนหนึ่งนะพระองค์หนึ่งมาหาก็เห็นแสงอันนี้และก่อนขึ้นไปที่แรกเห็นเหม้นดวงแก้วกลมๆวิ่งมาลอยมาอ้อมเราว่างนันนะ มาให้แก้จิตทำไมเป็นบ้าพอมาอ้อมมาต่อไปมันมันไม่อ้อมมันขึ้นไปสูงสูงก็จิตเราก็เห็นมันขึ้นไปว่างงินเห็นมันขึ้นไปสูงสูงแล้วก็ลงมาต่อมามันแปลงเป็นสีใหม่อีกว่าเงนินนะโอมันได้หลายสีดูสีนั้นสีนี่กันไปเหมือนกับสายลูกนี่ว่าเั้นขึ้นไปสุดท้ายลิบ ไม่เห็นตกลงมาเห็นทีนี่ตกลงมาตอนนั้นเขาชาวบ้านเขาไปปลูกกุฎีใหม่ให้ข้างจอมปวกจอมปวกใหญ่ๆนั่นนะเขาพังดินลงมาปลูกกุฎิใส่ไงแสงนั้นไปตกข้างหลังกุฎิเขาเลยคิดว่าโอ้พระธรรมมาบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นว่างไงนนะ จะเป็นบ้าที่แรกง่ายๆเนี่ยเลยลงไปดูตรงมันตกน่นะไปเห็นเห็ดปวกพระธรรมบอกเห็ดปวกไปเห็นเห็ดปวกเห็ดปวกสองสาดอกแมพรุ่งนี้จะมาบอกยอมเก็บไปย่างปนใส่พริกให้ฉันว่างนันนะพระธรรมเนี่ยบอกเราว่างนันนะ เห็ดออกว่างนั้นวันหลังก็มานั่งอีกนั่นแหละก็จ้องคอยดูมันก็เป็นแสงขึ้นอีกเป็นแสงขึ้นเห็นไปเห็นมาเกิดแล้วก็ดับนั่นละแล้วก็อยากเห็นอีกเมื่อเกิดขึ้นอีกเห็นแสงใหม่ขึ้นมาอีกที่นี้กลายไปเป็นภาพนะดูนานต่อนานดูมาวันหลังก็อยากเห็นอีก เลยไปเห็นแม่กับลูกมาจากไหนไม่รู้ว่าเงั้นนะเดินมาเปลี่ยนกลายเป็นภาพเลยนะจากแสงจากมาเป็นภาพแล้วเป็นนิมิตขึ้นมาแล้วเลยเข้าใจว่าพธรรมคงจะบอกว่าจะมีคนมาหาว่างันนะตื่นเช้าขึ้นมาก็หลังจากฉันเสร็จแกก็นั่งจ้องมองหาคนจะเข้ามาหาแม่กับลูกว่าเงัน บางเอินแม่กับลูกพากันไปเลี้ยงควายหิวน้ำมาขอขอน้ำหลวงพอ่อหลวงตาฉันมากินว่ากันนะแวะมานั่นเอาแล้วนี่พระธรรมบอกว่าคนจะมาหาเริ่มจะได้ตาทิพย์ขึ้นมาแล้วนะเนี่ย <Wow. S 1> เห็นเห็นขึ้นมาแล้วจะจับเอาแล้วนะเอาแวะมาก็นั่งดูไปดูมาก็ เปลี่ยนเป็นภาพนั้นภาพนี้ไปเห็นอันนัานอันนี้อันนี้ก็เกิดยานังความรู้ยิ่งเกินพอดีนึกอยากเห็นอะไรก็จิต ก, ก็แปลงเป็นภาพขึ้นมาเลยคุยเอาไปมามีเสียงด้วยนะภาคในฟิลม์มคุยกันอ่าคุยกันได้คุยภายในได้นั่นแหละเขาเรียกว่าใชา้หนังน้อยนั่งดูคนเดียวภาคในฟิล์มด้วย เอามาก็ไม่ไหวสึกสึกเลเสียดายออกมาบวชอีกครั้งที่สองนี่มาหาหลวงตายัยงไม่แก้ให้อ๋มันเป็นนิมิตเฉยๆจิตสร้างขึ้นจิตกาหนดขึ้นมาหลอกเจ้าของไม่ใช่ของจริงเห็นแล้วสัตยะว่าเห็นไม่ยินดียินไลยมันเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตก็มาฝึก มันเกิดก็ให้ไม่ยินดีไม่ยินลายมันก็ดับไปนะดับไปเป็นหมดละคนหลงทางเสียเวลาคนหนึ่งมาหาก็เหมือนกันไปเห็นแสงเนี่ยทีแรกเอาไปมานิมิตเป็นเลขเดียวผิดกันไปอีกละเออมาใบหมวย เห็นเลขตัวนั้นนอะพอดีเลขออกมาถูกจริงๆก็ตามหาแหละทีนึงหวัวหลังก็เลยเป็นบ้าอีกคนเนี่ยเป็นบ้าเพราะนิมิตเอาไว้มาไปนั่งอยู่ก็เห็นคนเห็นผีเห็นเปรตเห็นอะไรมดรู้จักชื่อเขาหมดว่างั้นนะก็เจ้าของอะไรคิดเองว่ามันเชื่ อ, อ น, นั้นอันนั้นก็เลยจําเอาชื่อผีตัวนี้ชื่ออย่างนั้นผีตัวนั้นชื่ออย่างนี้ ด้วจากผีในโพกในป่านั่นหมดแต่จริงๆแล้วนั่งจะเห็นนะครับแสงตรงีเออมันเป็นมันมันก่อนจิตจิตจะรวมมันจะมีอะไรมาขัดอ่าานั่นล่ะนั่นล่ะมันมามันนเป็จิตรออหืืว่ามันกำลังใจสงบเนี่ยมันก็เลยมีอาการขึ้นมาอืม เป็น<ไ>ปเป็นปบางคนก็ไม่เป็นสงบเลยบางคนก่อนสงบก็มาเห็นอันนี้ถ้าเห็นแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ยึดไม่ถือมันก็สงบลงได้ตอนนั้ น, จ, น, นะะจิตกำลังเบานะนตอนนั้นค่ะไม่มีเหมือนเราตัวเราจลโล่งๆ้งที่เราก็ใส่เสื้อผ้าตอนนั้นือ่องเอล มันเบานะเบาเหมือนตัวจะลอยเหมือนจะห่อนั่นก็มีก็ไม่ลอยค่ะแบบรู้สึกเหมือนตัวเราอ่ะมันจะลงจะล้มลงไปเลยอ๋อเออนี่ยแหละมันจะสงบเลยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลัวที่ไหน มีมีอะไรข้างหลังสงสัยไหมข้างหลังมีไหมเอาถามมาเลยคุยกันสนทนากันนะอันไหนพ่อตอบได้ก็ตอบไปสนทนาพ่อให้เกิดความรู้บางทีคนก็เห็นเหมือนเหมือนกันเป็นเหมือนเหมือนกันก็มี เอ่อกนกืก็เกา่า่อางาเมือช่วงหนี้ก็ปัญญาจายตัวดีนะครับแล้วก็เนตาของครับ อ, อืมออก็ดีต่อเห็นห น, น้าตาเห็นขั้นห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่มีสารไลเกนสารขั้นห้าเกิดขั้นห้าดับแต่ที่หลวงต า, าสอนเมื่อวานนี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นครับแต่ว่าจะไปเห็นอีส่วนสวนท้ายก็คือส่วนที่หลวงตาบอกบว่า เ, วเห็นแล้วกล้างกันท้อย่างเป็นขันห้าแล้วจะเป็นอนะไกสัญญาทองไปครับ อเอาต้องต้องออกจากจิตสงบไหมล่ะสงบดีอยู่ใช่ไหมจิตอ่ะอะหลังจากออกจากสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาถ้าจิตสงบเราเห็นในสมาธิรอบหนึ่งแล้วนะเห็นว่าขันห้านี่ไม่มีตัวตวนสัตว์บุคคล เหมือนกับเรานั่งอยู่ในอากาศเวหาหนึเวลามันสงบลงใช่ไหมอ๋อส่วนแบบนี้ผมจะภาวนาในชีวิตประจวัอืมภาวนายังไงก็จะจะจะตั้สติในชัที่ไเอาเอาอะไรเป็น อืมอืมโดยจิตไ ป, ไปอ่าอ๋อก็ดูไปมันก็ว่างไปอ่าว่างทำงานก็ไม่เหนื่อยละทำไปเรื่อยๆจิตส่วนหนึ่งก็ไปดูงานส่วนหนึ่งก็มาดูจิตเจ้าของ ให้มันอยู่กับผู้ลู้อยู่นั่นแหละอยู่กับความว่างอันนั้นแหละด้ถูกแล้วทีนี้ก็บางว่างก็มาลื้่กายอย่าของถอดกายอย่าคล้องดูเราสงสัยนีย่เรามาหลงโลกหลงขันห่านี่แล้วว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเราก็มาหาหลักฐานพยานด้ามีสัตว์มีคนมีเรามีเขาอยู่ใน ก้อนสกลกายนี่ไหมจิงไหมนั่นนะเท่านั้นท่านรู้ว่าไม่มีก็เรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาเท่านั้นไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงถาดมาประชุมกันเฉยเฉใช่ไหมล่ะฮะดินมีเจ้าของไหมล่ะพวกนั่งอยู่ข้างหน้านี่น้ามีเจ้าของไห ม, ไ ม, มอนัตตาได้ไหมอนัตตานี่แหละไม่มีเจ้าของไปไหนอนัตตา ที่มารวมกันแล้วมันมีก้อนธาตุเนี่ยมันจะมีตาหูใช่ไหมจะหมูกลิ้นอยู่เนี่ยเวลาเห็นรูปเราก็มาหลงสำคัญตนว่าเราเห็นตอนนี้จึงมาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดรักเกิดชังยินดียินไลยขึ้นมานะจึงให้ถอดกายออกดูรูเห็นตามความเป็นจริงเราจึงจะดับโลกดับอารมณ์ได้ด้ อถอดเป็นไหมล่ะที่หลวงตาเคยสอนให้เอาขั่าแล้วใช้คำถาม4คำถามใช่ ถ, ถูกแล้ว <5 S 2> ่า่าเ อ, อถูกแล้วถูกแล้วมีเราอยู่ในนั่นไหมล่ะฮะฮะอ๋ะ<ม> อ, อยังไม่ยังยังยังไม่เกิดยันเนี่ยนี่ เกิดดูไปดูมานะแยกรูปออกกายสักแต่ว่ากายดินน้ําลมไฟมาประชุมกันเขาเรียกว่ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้มันเห็นตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าเกิดยถาภูตายันทัศนะเมื่อดูไปดูมาดูบ่อยๆต่อเนื่องกันนะให้ดูต่อเนื่องกัน ไม่ใช่ว่าวันนี้ดูอีกสี่ห้าวันจึงมาดูเทียวนึ่งดูต่อๆกันมันจึงจึงจะเกิดยะถาภูตายันทัศนะขึ้นมาหลวงตาไปอ่านเจอยะถาภูตายันทัศ น, น์นี่โอ้มันคืออยากแท้มันยังไงนะพอมาลูกเข้าโอ้ยะถา็ตามภูตะก็ว่าเป็นยะถาภูตะภูตา ตามเป็นแปลว่าเป็นยานก็แปลว่ารู้ทัศนะ ก, ก็ว่าเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่ากายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเฉยเยเขาย้าใจไหมอะไรที่เนี่ยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ในก้อนธาตุนีจึงว่ากายเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของ ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยว่าภาษาบาลีเรียกว่ายะถาภูตายานทัศนะยะถาก็ตามภูตะก็เป็นยานก็วดล้อมทัศน์ไปเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมารวมกันธาตุทั้งสี่มาประชุมกันไม่มีเจ้าของใช่ไหม อ่าเนี่ยลู่เห็นตามความเป็นจริงรู้ว่ามันไม่มีเจ้าของไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนี่จึงเรียกว่ายะถาภูตายันทัศน์ลู่เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเวลาตายเห็นรูปตาก็คือกายส่วนหนึ่งใช่ไหมหูก็คือกายส่วนหนึ่งจึงจะไม่สําคัญตนว่าเราเห็นสําคัญตนว่าเราได้ยินเพื่อจะมาดับความโลภความโกรธความหลงดับเล่าออกจากกายได้ อวิชาหลงว่าเรามีเท่านี่แหละอ่าเข้าใจเนาะทาไปเรื่อยๆได้ที่นี่นะถอดกายเอาคําถามสี่คำถามมาธาตุดินยี่สิบอย่างออกมากองไว้ธาตุน้ำสิบสองอย่างใส่ผู้ถังเอาไว้ลมไฟก็ใส่อะไรไว้ถามสี่คำถามธาตุดินเป็นเราไหมเป็นเราไหมนั่งอยู่เนี่ยฮะไม่เป็นเป็นคนไหมดินน่ะ เป็นตัวเป็นตนไหมไม่มันเป็นธาตุธาตุก็สมมติตัวตนสัตว์บุคคลก็สมมติเฉยๆไม่มีเมื่อเรามาเห็นอย่างนี้ว่าไม่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอยู่นี่ก็เกิดยานทัศนะขึ้นมาเข้าใจไหมละ่ะลูยเห็นขึ้นมาตามความเป็นจริงท่านพูดเป็นภาษาบาลีว่ายะถาภูตายานทัศนะลูเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมา ก็เห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาใจคือวิญญาณก็คือใจใจก็สักแต่ว่าใจเป็นธาตุรู้เฉยเไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเราต้องดูอย่างนี้้ะเอา ด, ดีแล้วดีแล้วดูไปเรื่อยเดื่อยได้ยังยงเดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นตามความเป็นจริงดูจนเกิดญาณทัศนะขึ้นมาทุกคนอะอยู่ี่นด้ ใครดูสักทีไหมเนาะหรื อ, อยานจะคล้ อ, องไปพันนิพันเิอะนะเอา้ามีอะไรอีกเข้าใจหรื อ, อยังอเอา้าดีแล้วใครอย่าถามอีกมีไหมไม่มีเอา้าไม่มีก็ให้กลับไปกับภาวนาได้ภาวนาเอา